น่างกายปรับร่างกายให้ดีวเวีนาเบาบางแต่ว่าถ้าทานทําโยคะนี่ต้องทาประจําทําบ้างไม่ทําบ้างนี่ก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าทำให้ร่างกายเราบอบริ้ง่ายพยายามทําทวนอย่างหนึ่งก็เราสามารถนําไปแก้ปัญหาเวลาเราติดนิวร์ตัวตัวหนึ่งได้ก็ใช้นิวอาใช้โยคะบางท่า เข้าไปแก้ได้นะแทนที่เราจะนั่งง่วงนั่งซึมตลอดเราก็ใช้โยคะในท่าที่มันมีเวทนาแรงๆเนี่ยเข้าไปเวทนานี้ก็จะไปขับไล่นิวรณได้นะซึ่งในช่วงฟังบรรยายเสร็จแล้วเราน่าจะทำได้ตรงนั้นช่วงกี่ช่วงคำก็ยามไม่พอ าวานลงทำพาหลวงผู้ชายทำอยู่พักหนึ่งก็เวลาน้อยไปนะทำให้รีบร้อนก็ตรงว่าวันนี้เราฟังสวดเรื่องของจิตตานุปรสนาสติปัฏฐานในเรื่องของกายกัเวทนาจบไปแล้วทีนี้ก็มาลงรายละเอียดเรื่องของ จิตตานุปัสนาสติปฐานซึ่งได้เกินไปบ้างแล้วแต่ว่ายัง <c oughs> ไม่ได้ลงในรายละเอียดอันนี้ถือว่าเป็นการศึกษาเป็นการเรียนรู้ทั้งภาคปริยัติภาคปฏิบัติแต่ในส่วนภาคปฏิเวทคือผลของการาปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับ <c oughs> ความพร้อมของแต่ละคนนะจะได้ผลไม่เหมือนกันบางคนมีความพร้อมมากกว่าก็ได้ผลไว บางคนมีความพร้อมน้อยก็ได้ผลช้าแต่หลักการนั้นเดียวกันหมดนะในเรื่องของจิตเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเราได้เรียนรู้ในเรื่องของกายกับเวทนาว่าทำให้ <c oughs> ถ้าเข้าใจปฏิบัติได้เรียนรู้กายกับเวทนาเข้าใจเราจะทำให้เรารู้รูปนามตามความเป็นจริงนะ ทีนี้การรู้รูปนามมีสองลักษณะลักษณะที่เป็นสัญญากับเป็นปัญญาเบื้องต้นนี้ให้ดูลักษณะสัญญาไปก่อนคือคอยระ ล, ลึกรู้ว่านี่เป็นความรู้สึกตัวเมื่อสัญญาตรงนี้ได้ถูกกระตุน้นถูกสั่งสมถูกบ่มเพาะไประยะหนึ่งจนกระทั่งกลายเป็นทักษะ กลายเป็นความชนิดชำนาญก็บางคนก็รู้รูปนามไปตามลำดับบางคนก็รู้รูปนามได้ไปจากทันทีก็เป็นปัญญาเหมือนเราท่องหนังสืตอต่อแรกอาศัยท่องบ่อยๆท่องแล้วท่องไปนานๆมันก็เกิดการจำลักษณะเกิดการจำได้โดยที่ไม่ต้องดูตัวบทนี้ก็ถือว่าเป็นตัวปัญญาละ แต่ในท่องช่วงที่ท่องที่ใช้ตัวบทจําไม่ได้เนะี่เป็นสัญญาอาศัยสัญญาในลักษณะอย่างนั้นเรื่องของรูปนะทีนี้มาดูเรื่องทารู้รูปนามในวงการของรูปนามทั้งหมดเรื่องรูปรูปนามรูปรูปธรรมนามธรรมรูปสมมุติอ่าแล้วก็รู้อนิจจ์ทุกขังหน้าตาเนี่ยในวงขอบในกรอบของเรื่องรูปนามก็จะมาอยู่ตรงนั้น ทนี้มาศึกษาเรื่องจิตเรื่องจิตนี่จะเป็นของเรื่องของนามรูปและเรื่องของประมัดนะแต่ในวันนี้จะเน้นถึงเรื่องจิตานุปัสสนาที่ทำให้เกิดนามรูปแลเรื่องประมัตดก็เป็นเรื่องที่เป็นผลที่เป็นปฏิเวทที่เราจะต้องเกิดขึ้นเองนะนั่นในวงของอจิตานุปัสสนาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของ นามรูปแล้วเป็นเรื่องของปรามะที่เราจะศึกษากันอย่างน้อยก็เป็นวันหสองวันมีรายไะเอีสูงที่ในเบื้องต้นในเรื่องของจิตในแง่ของทฤษฎีมันก็มีเยอะแยะนะจิตตามอภิธรรมจิตเจตสิกนะเป็นปรามะจิตเจตสิกสองอันนะที้ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจเราก็จะสับสนอ่ สับสนในการเข้าใจใกลายเป็นเรื่องของการนึกเอาคิดเอาเรื่องจินตนาการเอาหรือเป็นเรื่องดูจิตอย่างที่เรานิยมทำในปัจจุบันไปดูจิตบางคนไปดูจิตมาแล้วมันต่อไปจะทำอะไรนะเนี่ยบางทีก็เกิดความเข้าใจไม่ถูกหรือได้ผลอะไรบางอย่างที่มันผิดเพี้ยนไปติดพิสนูนจิตจินตยานติดวิปราช จึงแก่ยากนะการเข้าไปดูจิตโ ด, ดยที่ฐานของรูปนามไม่หนักแน่นไม่มั่นคงไม่ลึกพอดันั้นสิ่งที่นำเสนอเนี่ยเหมายความว่ามันจะต้องเป็นตามนั้นทั้งหมดแต่ว่าเราต้องเอาไปศึกษาไปพิจารณาแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของแผนที่นะแต่การจะเดินทางตามนั้น ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปพิจารณาเดินอีกทีหนึ่งว่ามันจะไปสูป่เป้าหมายตามแผนที่ไหมนะที่เรื่องของจิตตานุ ป, ปัสสนาที่ได้กล่าวเกินไปเมื่อวานว่ามีสามลักษณะลักษณะใหญ่ๆโดยย่อ ก, ก็มีสามลักษณะลักษณะที่เป็นกุศลและจิตอกุศลและจิตแล้วก็อัพยากะตะจิตนะแต่ในส่วนย่อยที่แยกที่เราสวดตอนเช้าเนี่ย ว่าจิตมีราคะจิตไม่มีราคะกลุ่มหนึ่งจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะกลุ่มที่สองจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะกลุ่มที่สามจิตหดหูจิ ต, พพจตฟุ้งซ่านกลุ่มที่สี่จิตมีอารมณ์ใหญ่ คือจิตมหาคตจิตกับอมคตจิตที่ได้อารมณ์อันเลิศกับจิตที่ไม่ได้อารมณ์กลุ่มที่หกจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือไม่มีจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่ากลุ่มที่เจ็ดจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นกลุ่มที่แปดจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นกลุ่มที่เก้ ม่ถึงเก้ากลุ่มใหญ่ๆในรายละเอียดนะแต่ทั้งเก้ากลุ่มเนี่ยเมื่อย่อลงแล้วก็เหลือสามคือส่วนไหนที่เป็นฝ่ายดีฝ่ายที่เป็นบวกเพราะเรื่องกุศลจิตส่วนที่เป็นฝ่ายลบเป็นอกุศลจิตแล้วส่วนที่ยังไม่แน่นะก็เป็น อาจจะเป็นทั้งสองอย่างทั้งกุศลและอกุศลนะเช่นจิตมีราคาเป็นกุศลจิตไม่มีราคาเป็นจิตมีราคะเป็นอกุศลจิตไม่มีราคาเป็นกุศลจิตมีโทสะจิตไม่มีก็แบ่งเป็นลักษณะอยู่สามกลุ่มใหญ่ๆทีนี้นะปัจจุบันที่เรารับรู้ต่อกายก็ดีต่อเวทนาก็ดีก็อาศัยจิตเป็นตัวรับรู้ เพราะจิตนั้นมันเป็นส่วนกลางกลางเหมือนดวงไฟดวงหนึ่งที่มันอยู่ตรงกลางเวลาเราไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์หรือขับรถไปติดไฟแดงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองแต่ความจริงแล้วในใจกลางของดวงไฟนในใจกลางของโคมนั้นมันเป็นสีเดียวคือสีแสงสว่าง มันไม่ใช่สีแดงสีเขียวแต่การที่มันกลายเป็นสีแดงสีเขียวเนี่ยเพราะว่ากระจกหรือกรอบหน้ามันเป็นสีของกระจกไม่ใช่สีของไฟนะเป็นสัญญาณจิตเหมือนหนึ่งส่วนที่อยู่ตรงกลางแล้วแต่หน้าไหนมันจะออกอออกมาเป็นสีอะไรเหมือนกันในร่างกายและจิตใจของเราในใจของเราเนี่ย มันเป็นตัวจิตที่เป็นพลังอันหนึ่งเป็นแสงสว่างอันหนึ่งแต่อาศัยสะท้อนออกมาทั้งถ้าสีของจราจรมันก็มีแค่าสามสีหลักๆนะแต่ว่าในสีสว่างของชีวิตเนี่ยมันมีถึงหช่องจราจรเนะและหกช่องสีช่องตาสีหนึ่งช่องหูสีหนึ่งช่องจมูกสีหนึ่งช่องลิ้นสีหนึ่งช่องกายสีหนึ่งช่องใจสีหนึ่ง แต่ความจริงมันน่าจะเรียกว่ามีห้าช่องแหละแต่ว่าใจพิจิตเนี่ยเป็นอยู่ตรงกลางและสะท้อนการหน้าที่ออกมาทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายเพราะนั้นแต่ละหน้าที่ก็ทําหน้าที่ไม่เหมือนกันหน้าที่ใครหน้าที่มันเช่นเวลาเราขับรถติดไปเห็นไฟแดงเราเป็นหน้าที่ที่ต้องหยุดเจอไฟเขียวเป็นหน้าที่ต้องรีบไปเจอไฟเหลืองเตรียมหยุด แต่ไม่ใช่คนไทยนะเจอไฟเหลวรีบเหยียบไปให้ผ่านไปเลยนะแต่ถ้าเขาเป็นต่างประเทศแล้วเจอไฟเหลวเ่าไปก็จะเช็คถ่ายกล้องถ่ายไปแล้วคุณก็ไปรอรับบินจ่ายอยู่ที่บ้านก็แล้วกันไม่ต้องมานั่งเถียงกันตำรวดตรงนั้นนะลักษณะของจิตก็เหมือนกันมันเป็นกลางกลางนะเป็นกลางกลางเมื่อมันทำหน้าที่ทางด้านไหนเราก็เรียกว่าเป็นอินรี นะจากขุนซีโสตินศี น, นี่ตามภาษาเขาค่น า, านินซีชิวหินสีกายินสีมะนินสีคือมันทำหน้าที่ของแต่ละเป็นใหญ่ของแต่ละอ่นหน้าที่ทางตาก็ทำหน้าที่หินทั้งหมดเออาตาไปฟังก็ไม่ได้หน้าที่ทางหูมีหน้าที่ฟังจเจ้าหูไปเห็นนี่ก็ไม่ได้หน้าที่ของใครของมันเมื่อตาเห็นต้องทำอย่างนี่ หน้าที่เป็นใหญ่ดังนั้นเมื่อเรารู้จักว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นกลางเราก็จะต้องกลับมาสู่จิตเดิมของเราให้ได้ก่อนเราจะไปหลงสีที่มันทำหน้าที่นะถ้าไปหลงสีที่ทำหน้าที่เหมือนคนบอดสีอ่ะไปติดไฟแดงเห็นเป็นไฟเขียวขขบรวดผ่าไว้เสร็จเลยนะ ไฟเขียวเรายัางเห็นเป็นไฟแดงเดี๋ยวพวกก็ขับรถชนหลังเท่านั้นเองแทนที่จะไปเนี่ยหยุดเฉยอยู่ยยพวกก็บีบแตะไล่ทุกวันนี้เราไปอย่างนั้นคือหลงสีไปตาเห็นก็ไปหลงสิ่งที่ตาเห็นว่าสวยหรือไม่สวยทุกข์ก็เกิดหูได้ยินก็ไปติดว่าเสียงนี่เพราะหรืไม่เพรา ะ, ะ, ราะถ้าเสียงเพราะเราก็ชอบใจรักหลงถ้าหากไม่ชอบใจแล้วก็เปลีย่ยนชังปฏิเสธนะ เนี่ยเราไปหลงสีตรงนั้นนะ่ะไปหลังไปหลงสิ่งนั้นพอมาเจริญวิปัสสนานั้นท่านให้เห็นว่าทั้งหมดนะ่ะสีคือสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันเป็นสมมุติคือเป็นสังขารเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอมันเปลี่ยนแปลงแต่ว่าจิตที่อยู่ตรงกลางคือความรู้สึกตัวเป็นจิตที่อยู่ตรงกลางมันเป็น สีเดียวเป็นจิตเดียวเขาเรียกว่าจิตเดิมนั้นเวลาเรามาปฏิบัติวิปัสสนาก็ดีปฏิบัติม ส, สมถธาก็ดีเนี่ยเพื่อที่ให้เรามารู้จิตเดิมแท้ก็สีเดิมแท้ที่อยู่ตรงกลางไฟกลางดวงไฟเนี่ยมันเป็นสีเดิมหรือแม้กระทั่งไฟหน้าปัดรถในรถของเราเนี่ยพอเราหมุนบิดกุญแจปั๊บเนี่ย power ของมันก็ทําหน้าที่แต่ว่ามันบอกหน้าที่ไม่เหมือนกันมันบอกถึงเรื่องน้ํามันบอกถึงเรื่องความเร็วบอกถึงนาฬิกาบอกถึงไฟหน้าไฟหลังไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟวมันก็จะบอกหน้าปัดทําหน้าที่ต่างกันไปแต่ว่า power ที่มันปรากฏขึ้นเป็นเพียงสีเท่านั้นแต่ในหน้าปัดนั้นเขาจะใช้สีอะไรบอกหน้าที่อันนั้นเป็นเรื่องของสมมุติที่สร้างกันมา อถ้าเราอ่านหน้าที่ที่ปรากฏข้างหน้าสับสนมันก็ยุ่งละ่ะทีเนี้หรือมันเสียอ่าเราวิ่งเป็นร้อยแต่ว่าเกยมันบอกแค่ยี่สิบเนี่ยเอเสียยุ่งละ่ะอน้ำมันบอกว่าเต็มสี่ขีดเราวิ่งไปเกยน้ำมันมันเสียอันเกย์มันไม่ขึ้นเนี่ยยุ่งละ่ะหรือเกยความร้อนมันบอกความร้อนขึ้นเท่านี้เกยความร้อนมันขึ้น หรือไม่ขึ้นเนี่ยก็ยุ่งละต้องซ่อมลักษณะทั้งหมดนี้เราเรียกว่าสมมุตินะเรียกว่าสมมุติอันนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยถ้าเรากลับย้อนมาสู่ตัวจิตเดิมแท้ไม่ได้เนี่ยเราก็จะไปลงสมมุติสมมุติมีหน้าที่ต่อเมื่อจําเป็นต้องใช้เท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้จําเป็นตลอดเวลาเช่นเราอยู่ของเราเฉยๆเรากกลับมาอยู่กับจิตเดิมแท้ของเรารู้สึกตัวเฉยๆ แต่เมื่อใครมาทักมาถามเราเออวันนี้เป็นไงอสบายหรือไม่สบายสมมุติเกิดขึ้นละมันมีคําว่าสบายหรือไม่สบายเราก็ตอบสนองレスปอนไปว่าเออรู้สึกไม่ค่อยสบายวันนี้เมื่อคืนน้นอนไม่หลับปวดเนะื้อปวดตัวแล้วก็ว่าไปตามสมมุติหละอันนี้คือหน้าที่ของหูละใช่ไหมด้านนิดของปากเทียดต่อไปทําหน้าที่พร้อมกันหลายอย่างเนื่องมามีสมมุติเกิดขึ้นมีการกระทบเกิดขึ้นใช่ไหม ถึงถามว่าเป็นไงนอนหลับดีไหมเนี่ยมีทำหน้าที่กี่อย่างพอได้ยินเสียงนอนหลับดีไหมหน้าที่อย่างที่หนึ่งคือแหละหูได้ยินว่าใครเสียงถามว่าอย่างไรหน้าที่ที่สองตาใครเป็นผู้ถามใช่ไหมหน้าที่ที่สามใจที่ตอบสนองคิดว่าจะตอบถูกกับไอ้สภาวะที่มันเป็นจริงไหม ใช่ไมแล้วก็หน้าที่ที่สี่คือสังขารและจิตที่จะคิดปรุงแต่งออกมาว่าเราจะตอบเขาว่าอย่างไรเห็นไหมกระทบเพ้อเดียวเนี่ยมันตอบสนองไปตั้งหลายหน้าที่เลยนี่คือทำให้เราหลงแต่ถ้าเกิดว่าทำหน้าที่ผิดพลาดขึ้นมาคนถามมาถามตอนที่เรากำลังอารมณ์ไม่ดี น, ะ น, นดั่นเย่นงเงี้นั่นบบนี้ ดี่พีีไม่ใช่เร่อคุณเป็นเรื่องของฉันอย่ามาถามชู้สิมันจําเป็นเรื่องมันจะเป็นคุณมาถามฉันทําไมเนยยุ่งเลยเรื่องนี้ไอ้คนที่ถามเราก็เป็นเรื่องะไอ้เราก็หงุนหงิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมมาถามเราทำไมเรื่องส่วนตัวนี่ยุ่งเลยทีนี้อันนี้คือทุกมันก็เกิดขึ้นเนะี่ยเพราะเราใช้สมมุติผิดใช่ไหมดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเน้นให้เห็นว่าตัวผัสสะเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญคือทิ่งที่มากระทบ ถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยถ้าจิตของเรายังกวดแกงไปตามหน้าที่ตามสมมติเนี่ยคือปรุงแต่งไปตามอินทรีย์ทั้งหลายทั้งปวงตามหูมจมูกลิ้นกายรูปเสียงกีรดที่มาสัมผัสโดยที่เราไม่กลับมาตั้งต้นที่จิตของเราก่อนเนี่ยเราจะตอบสนองทันทีนั้นคือเหตุของทุกข์เพราะอะไร เพราะขาดตรวจสอบขาดการไต่ตรองว่าสิ่งที่มากระทบมันคืออะไรลักษณะขาดการตรวจสอบการไต่ตรองต่อการกระทบนั้นท่านเรียกว่าสัญชาตญาณคือหมายพอกระทบมาฉันก็พุ่งไปเลยกระทบมาฉันก็ตอบไปเลยโดยขาดการพิจารณาขาดการใคร่ครวญแต่ถ้าเรามีการฝึกสติฝึกสมาธิปัญญาเมื่อมีสิ่งมากระทบต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจปั๊บเนี่ยกระทบปับ๊บเราตั้งสตินิดหนึ่งใช่ไหมก่อนที่จะตอบสนอง ก่อนที่จะรีสปอนตอสิ่งที่มากระทบลักษณะที่ตั้งสติก่อนตอบเนี่ยเรียกว่าเป็นการฝึกภาวนาแล้วเพราะนั้นลักษณะของการภาวนาเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีตอนที่เรามาฝึกแต่ว่าทุกคนมันมีอยู่แล้วแต่โดยลักษณะว่าสัญชตาตญาณหรือปัญญาญาณการตอบสนองถ้าการตอบสนองโดยสัญชตาตญาณเนี่ยมันก็จะมีทุก สัตว์ทุกตนทุกคนทุกตัวล่ะไม่ใช่ว่าแต่คนนะไม่ได้สัตว์มันก็มีใช่ไหยการตอบสนองเมื่อมันถูกการกระทบมันก็ตอบสนองมนันทันทีเหมือนลังแตนเนี่ยไปแต้มันเข้าไปไงมันตอบสนองไปไงเล่นเอาตาบวมเลยนะฮะมันตอบสนองทันทีนั้นพิษเกิดขึ้นอหรือใครเราไปเห็นอาหารป๊อปเรากินเลยอย่างงี้นะบางทีเกิดอาหารเป็นพิษก็ยุ่งละ่ะ ดังนั้นการที่เรามีสติสัมปชัญญะกลับมาสู่จิตเดิมตั้งที่จิตก่อนแล้วกว่าตั้งใจให้ดีนะเรามื่กี้พูดใช่ไหมตั้งสติให้ดีตั้งใจให้ดีเป็นคําพูดที่ใช้กันไปกิดปากเลยเดี๋ยวตั้งใจให้ดีแต่ว่าในชีวิตความเป็นจริงเนี่ยเวลาจะทําอะไรแต่ละครั้งเนี่ยเราตั้งใจก่อนหมเก้าสิอร์เซนตไม่ได้ตั้งใจตอบสนองเลยเพราะเราตกเป็นทาสของสัญชตาตญาณ นะภพธาตุของสันชัตยานเมื่อเราไม่มีการฝึกฝนไม่มีการอบรมไม่มีการสับตัวสันชัตยานก็จะทำหน้าที่อย่างนี้ไปตลอดพบตลอดชาติและแน่นอนว่าเราก็จะต้องเป็นทุกข์เพราะไอ้ตัวสัญชัตยานตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวสันชัตยานตัวนี้จึงเป็นส่วนที่ทําให้คนสัตว์อๆเสมอกันอยู่เสียง พอสัญชาติญาณหนึ่งาหาอาหารใสปากสท้องใช่ไหมสัญชาติญสัตว์หาอาหารไหมอสองสแสวงหาที่พักพิงที่อยู่อาศัยหารวงหารูหาบ้านหาเรือนเป็นของเจ้าของสัตว์มันก็มีใช่ไหมเกิดมามสา่สร้างรังสร้างรูสร้างที่อยู่อาศัยเหมือนคนก็มีสาม เมื่อเวลามีภัยเกิดขึ้นเป็นไงสัตวนน์มันหนีไหมอย่าว่าแต่สัตว์ใหญ่แม้แต่ยุงนใเมะกอกเราจะโจมมันยังวิ่งหนีเฉยเลยมันก็ใช้สัญชาตญาณเดียวกันนะมันก็กลัวตายเหมือนกันสัญชาตญาณของกลัวตายเสมอกันกับเ ส, สมอกันกับสัตว์สต้องการสืบเผ่าพันธุ์ของตัวเองสัญชาตญาณในการสืบเผ่าพันธุ์ก็ออกมาเป็นความต้องการอย่างที่เราเห็นนะ ดังนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่ายกธรรมะออกเสียคนกับสัตว์ไม่ต่างกันแต่บางทีคนอาจจะร้ายกว่าสัตว์เพราะสัตว์นี่มันไม่เคยข่มไม่เคยพยาบาทฆ่าแค้นกันสัตว์ที่ไม่เค ย, ยาาข่ข ม, ยขมขืนกันตายสัตว์ที่ไม่เคยจี้ฆ่า ป, ป้นกันใช่ั้ยแต่คนเป็นไหมสัตว์ไม่เคยโกงคอร์รัปชันแต่ว่าคนมันยิ่งกว่าสัตว์ตรงนั้น ดังนั้นเองเราก็จะจึงมาฝึกตัวนี้ขึ้นมาตัวธรรมะขึ้นมาเพราะฉะนั้นธรรมะอันแรกที่สุดท่านจะต้องฝึกอันนี้ทางพระมหาสมณะเจา้าผู้รจนาคัมภียนาวโกวา่าที่เป็นหลักสูตรของผู้เข้ามาสู่พระธรรมวินยัยขั้นแรกเนี่ยท่านตั้งไว้ดับแรกได้วสี่ชุดทำสี่ชุดเนี่ยคุณไปทํางไปศึกษาก่อนท่านอนนาวโกว่านวะแปลว่าใหม่ โอวาทโอวาทสาหรับผู้เข้ามาใหม่ไม่ใช่ผู้บวชหรือแม้ผู้ไม่บวชก็ตามหนึ่งชุดที่หนึ่งเรียกว่าสติสัมปชัญญะชุดที่สองเรียกว่าฮิริโอตปะชุดที่สามขันติโสราจาัชุดที่สี่กตัญญูกตตวิธีสี่ชุดเนี่ยทุกคนที่เข้ามาสู่พระธรรมวินัยต้องศึกษาก่อนเพื่อนเลยนั้นท่านตั้งต้นที่สติสัมปชัญญะเราจะ เห็นว่าคนนี้เป็นคนหรือไม่เป็นคนหรือเป็นผู้ที่ปกติหรือไม่ปกติวัดกันก่อนที่ความมีสติสัมปชัญญะนะแต่คนส่วนใหญ่ก็ถ้ามีสติสัมปชัญญะแล้วมันไม่สนุกเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สนุกต้องทําลายอะไรสติสัสมปชัญญะเช่นหินเหลายาเมายาบ้า อสูบุรีกันชาเฮดูอินฟินอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้กาลังของสถิยรยั่งนอ่อนลงเพื่อจะได้สนุกสนานใช่ไหมเมว่าคนเราเ ม, มื่อสถิยรยั่อนลงมากเท่าไหร่ความเป็นสัตว์ไป็นไงก็มากขึ้นเท่านั้นแต่คนส่วนใหญ่ต้องการเป็นคนหรือต้องการเป็นสัตว์นั่นนะ่ะอันนี้ไปคิดเอาเองนะไม่ใช่เอาธรรมดานี เพราะงั้นไอ้พวกเผา พ, พวกบาว้าพวกเราอะไรมันไม่ผูดเป็นดอกเห็ดแล้วเพราะคนไม่ต้องการเป็นคนแล้แต่ต้องการเป็นสัตว์มากกว่าเพราะมันสนุกดีนะฮะอย่างไอ้เพลินภูมแดนมันว่าไปเกิดในสวรรค์นี่ไม่สนุกเลยถ้ายเก็บดาวยุ่งไปหมดต้อไปเกิดในในรกสนุกเพื่อนเยอะเหมือนกันว่า <c oughs> คุยประเภทเดียวกันนะฮะอันนี้เรื่องของจิตดังนั้นเมื่อเรามาภาวนาแล้วเนี่ยเราจะต้องฝึกสติสัมยาให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ยิ่งสติแจ้งญาตสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็หมายความว่าเราจะหนีห่างภพภูมิที่ต่ําขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่กล่าวไปเมื่อวานว่าภพภูมิที่ต่ําที่สุดคือสัตนนรกใช่ไหมสูงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าเปรตสูงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าอสูรเนือสุรกายสูงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าเดรัจฉานสูงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเรียกว่ามนุษย์สูงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าเทวดา สูงขึ้อีกชั้นหนึ่งเลยอินพรมสูงขึ้นมาชั้นหนึ่งก็อริยะเจ้าโซดาสกินาครสูงสุดยิ่งห่างจากจุดที่ต่าสุดแต่ถ้าหากว่าเราไม่ภาวนาและไม่รู้ชั้นของจิตเนี่ยเราก็จะตอบสนองต่อสัญชตาตญาณของเรามากขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วก็ถ้าหากว่าเราทั้งหลายเนี่ยได้พัฒนาสัญชตาตญาณให้เป็นปัญญาญาณเนี่ย ตั้งแต่แรกสมัยปู่ย่าตายายของเรามาเราไม่ได้เกิดมาขนาดนี้เราไม่ได้มาทุกขกันขนาดนี้หรอกเพราะเราก็ไม่ต้องเกิดมาเป็นคนอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อสติสัมปญญะสมบูรณ์แล้วเนี่ยจิตมันก็หมดสภาพที่จะต้องนําไปเกิดเช่นอะไรเช่นมเมล็ดพืชเนี่ยเอามเมล็ดข้าวง่ายๆ่ายมเมล็ดข้าวเนี่ยถ้าไปสีเอาเปลือกมันออกแล้วมเมล็ดแต่เม็ดเนี่ยเอาไปหวานมันเกิดไหม อะไรก็ตามเมล็ดอะไรก็ตามที่เอาเปลือกมันออกเลยแต่บางอย่างเอาเปลือกออกลงต้องงอกก็มีนะแต่เอาโดยทั่วไปก็เลิกเมล็ดมะขามเม็ดถั่วอะไรก็ได้คุณเอาไปสีออกมาเป็นเหลือแต่เนื้อถั่วแล้วคุณเอาไปหว่านดูมันขึ้นไหมไม่ขึ้นด้วยหลักธรรมชาติหรือบางทีไม่ต้องเอาเม็ดไม่ต้องเอาเปลือกออกแค่เอาไปคั่วให้มันเกรียมหรือร้อนเี้ยก็กไม่ไม่งอกละหรือไปห้อยไปแขวนไว้ไม่ให้มันถูกดิน หรือไปถูกดินแต่ไม่มีน้ำมันก็ไม่งอกแล้วหลายเงินไขที่มันจะไม่งอกฉันใดก็ดีจิตวิญญาณของเราเนี่ยเหมือนเมล็ดพืช <c oughs> นะจิตวิญญาณของเรานี่เป็นเมล็ดทุกส่วนเนี่ยต้นดอกใบตายไปหมดแต่สิ่งที่เหลืออยู่เมล็ดร่างกายของเราที่เป็นร่างกายสังขารเนี่ยมันตายไปแล้วตายไปอีกแต่สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือเมล็ดของชีวิตก็คือวิญญาณอ่าฉันใช้สองคำว่าจิตวิญญาณนะ ดังนั้นเองเราจะให้เราต้องการเกิดอีกไหมถ้าหากว่าเร า, าไม่มีสติสมรรยาไม่มีปัญญาพอเนี่ยเราไม่เห็นโทษของทุกไม่เห็นโทษของการเกิดเราก็ยังไม่สามารถที่จะปอกเปลือกเอาของมเมล็ดมันออกได้เปลือกของมเมล็ดนี้คืออะไรเปลือกของจิตที่ทำให้จิตต้องไปเกิดแล้วเกิดเองนี่คืออะไรนึกอออเรียน เปลือกที่ห่อหุ้มจิตไม่ให้มันจิตนี้ต้องอมันทำให้จิตต้องเกิดอีกเปลือกที่ห่อหุ้มนี้เราเรียกว่ามันไม่ใช่เปลือกชั้นเดียวนะเปลือกหลายชั้นได้นะออถ้าเปลือกเริ่มต้นด้วยอะไรอวิชาเปลือกที่หนึ่งก็ให้เกิดสังขารเปลือกที่สองสังขารไปเกิดวิญ ญ, ญาณสามเปลือกนะ ดังนั้นเองเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องลอกอเอาเปลือกออกคือลอกเอาวิชาอาวิชาแปลว่าความไม่รู้จริงความไม่รู้เท่าทันเราจะต้องอเอาเปลือกแรกนี้ออกให้ได้อย่างมะพร้าวเนี่ยเปลือกกี่ชั้น อ, อย่างน้อยสองชั้นหรือสามชั้นขึ้นไปนะดังนั้นเองถ้าหากเรารู้ความจริงอย่างนี้เราจะเห็นความสำคัญของสติสัมปชัญญะและมุ่งที่จะฝึก ส, สติสัมปชัญญะเป็นหลัก แต่นี้หมายความว่าเราเห็นโทษเห็นภัยของสัตชาตยานนะเห็นโทษเห็นภัยของความเคยชินเห็นโทษเห็นภัยของความเผลอไผลเห็นโทษเห็นความเห็นโทษเห็นภัยของความหลงลืมพวกนี้ยมันเป็นโทษเป็นภัยต่อชีวิตก็เป็นเป็นเปลือกที่หอหนาที่ห่อหุ้มจิตวิญญาณของเราไว้แต่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบสมือนเปลือกไข่อวิชชาเนี่ย เ ป, ปลือกไข่เราเป็นไก่ตัวแรกที่ออกมาจากเปลือกไข่ได้เพราะฉนั้นเปลือกไข่เนี่ยมันหนาหรือมันบางบางนิดเดียวแต่ว่าสามารถออห่อหุ้มไก่ทั้งตัวได้ น, นั่นเองการฝึกฝนจิตจึงเป็นเรื่องสําคัญแต่การเริ่มต้ น, นการเริ่มต้นที่จะฝึกฝนให้เราเข้าถึงตัวจิตเดิมแท้ที่ท่านใช้ว่าออริเชลโลไม หรือบิกินเนืรอหมายเซนไมล์บิกินเนืรอหมายอามาหนังสือภาษาอังกฤษครั้งแรกที่ประทับใจก็คือเซนเซนหมายบิกิน เ, อเนอร์ไมล์จิตเดิมแท้จิตเริ่มต้นเป็นอย่างไรนะดังนั้นเองการที่จะเข้าสู่จิตเริ่มต้นได้ก็เริ่มมาแต่อันแรกนะคือดูกายดูเวทนาให้เป็นนะเมื่อฐานกายฐานเวทนาหนักแน่นเราเริ่มแยกว่าเอออันที่ความรู้สึกตัว นี่คือความคิดนะที่เราจะเห็นนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันติดเปน็นอันเดียวกันเอามากล่าวหลายครั้งว่าเหมือนมะขามเนี่ยในสมัยที่มันยังไม่แก่เนื้อมะขามกับเปลือกมะขามเปน็นอันเดียวกันใช่ไหมแต่เมื่อมันแก่จัดเข้าจัดเข้าเนื้อมะขามกับเปลือกขามไปไงมันกค่อยแยกกันนะ หรือบางทีถ้าเราอยู่บนนอกเราเห็นชาวบานนอกเอาเก็บถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วอะไรมามาตากอ่าตากเทอาถูกแดดเผานานเข้านานเข้าถัานานา่วไปไงเริ่มแตกใช่ไหมแตกเพราะเพราะพรมันก็เด่นออกมาอันไหนที่มันไม่แตกเขาก็ไปสีไปบดอีกทีหนึง่งแต่ส่วนใหญ่พวกถั่วเขียวเนี่ยน่ะถั่วเขียวถั่วเหลืองวเลองวลาไปตากแล้วมันก็จะแตกหมนฉันใดก็ดีตัวจิตของเรา เมื่อมันถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกมีตัวอวิชชาห่อหุ้มอยู่เมื่อจะให้มันแก่จักเนี่ยก็ต้องโดนความร้อนเมื่อความร้อนแผดเผามันตากแดดทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็แก่ฉันได้ก็ดีจิตของเราเมื่อมันถูกห่อหุ้มด้วยความไม่รู้เมื่อโดนความร้อนคือตบะตบะธรรมเช่นเรานั่งสร้างจังหวะโดยจุกุนทุกวันเนี่ยนี่คือเราบำเพ็นตบะนะ ถามว่าในขณะที่เราบริเวนตบัดเนี่ยถามว่าสบายหรือไม่สบายเหมือนเราไปยืนตากแดดเนี่ยสบายหรือไม่สบายไม่สบายแต่ถ้าโอ้แดดที่มันร้อนใช่ไหมอยากตากเลยเนี่ยเหมือนกับว่าเราไม่อยากจะให้ผลไม้เนี่ยมันตากแดดตากลมผลไม้จะแก่เป็นไหมไม่เป็นถัวก็แห้งไม่เป็นเพราะอุณหภูมิไม่พอฉันใดก็ดีจิตของเราที่มันจะออกจากอวิชชา ความไม่รู้ได้มันจะต้องมีตัวแผดเผาตัวแผเ <c oughs> ดเผาจิตเนี่ยถ้าหากเป็นภาษาสมถะที่เรียกว่าบังเพนชานชานแปลว่าเผานะชาพนกิจคือดีไหมกิจคืออะไรเผาศกใช่ไหมชาพนกิจศอกชานต้วนั้นนะ่ะคือแปลว่าเผา นี่เราเพ่งเผาทั้งกายทั้งใจของเรานั่งสั่งจังหวะเดินจูกลมทั้งวันนั่งสมาธิทั้งวันถามว่าสบายหรือไม่สบายมันไม่สบายมันร้อนเร่ามันกลุ้มรุมมันปวดมันเมื่อยมันง่วงมันเหงาเผาอยู่อย่างนั้นแต่เราก็ไม่ยอมบอกฉันร้อนฉันไม่เผาดีว่านี่มันก็มันถ้าเป็นข้าวก็ไม่สุกอ่ะใช่ไหมอ่เป็นข้าวก็ไม่สุกถ้าเผินผลไม้ก็ไม่สุกแม้แต่ไข่ไก่เนี่ยมันจะออกไข่ออกมาเป็นไก่ ไก่ได้เนี่ยต้องอาศัยอะไรเผาแม่มัน ก, กุกอ่าแม่มัน ก, ก, กุกจนได้อุณหภูมิความร้อนสูงมากก็ทําให้ไข่ไกลายเป็นไก่ได้ตามกระบวนการธรรมชาติแต่ในกะรีทุกวันเนี่ยเขาจะทําไขใ่ให้กลายเป็นไก่ได้ไม่ต้องอาศัยแม่มักุกทขาทำไงเข้าตูอ้อบภูมิในะช้อุณหภูมิตามที่แม่มก็เป็นไข่ฉันใดก็ดีจิตของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อมีเปลือกแห่งความไม่รู้สึกตัว เป็นเปลือกห่อหุ้มอยู่เราต้องการที่ให้จิต่ออกมาจากเปลือกของความไม่รู้นี้ก็อาศัยตะบะอาศัยฌานเป็นตัวเพ่งเผาการทําตะบะการทําฌานมีสองการทําตะบะแบบสมถะแล้วเข้าฌานเช่นนั้นเช่นนี้ความหมายก็เพื่อเพ่งเผาให้จิตนี้แยกออกมาจากความคิดเท่านั้นเองถ้าเราเข้าใจความหมายว่าฌานทําเพื่ออะไรถ้าเราสามารถแยกจิตออกมาจากความคิดแยก ความคิดออกมาจากสติได้โดยที่ไม่ต้องผ่านฌานก็ได้อย่างที่เราฟังเทปเมื่อคืนเลยใช่ไหมอาจารย์สุพีนอ่าพระหันบางส่วนเนี่ยสุขวิปสัสสกามันไม่ต้องมีฌานสามารถทำวิปสัสนาได้เลยอย่างพวกเราเนี่ยไม่ต้องมานั่งทําฌานกันใช่ไหมมานั่งทําตัวสติแต่ตัวปัญญาเกิดขึ้นปับ๊บไปเห็นอ๋ออันนี้คือความคิดอ๋อ น, นี่ความรู้สึกตัวอ่ามีไหมวันวันหนึ่งอ๋ออันนี้ความคิดแยกออกแล้ว แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นแป๊บเดียวต้องเห็นตลอดนะเห็นเป็นส่วนใหญ่อย่างพระโสดาบันนะเห็นกายกับใจแยกจากการความรู้สึกกับความคิดแยกกันได้แค่25ปอร์นตะแต่อีกเจ็สิเซยังไม่ทันแต่พอขึ้นไปพระสิกิตาเมีแยกกายกับจิตเห็นเออเห็นความรู้สึกกับที่เป็นสติกับความคิดเนี่ยได้ห้าสอร์เซพระอนามคมีเห็นได้ถึงเจ็ดสิบหรือปดสิอร์เซนต์พระหันเห็นร้อยเปเซ์เลยขอมพลีท นะดังนั้นสิ่งนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งลึกลับซับซ้อนแต่เป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลที่สามารถตรองตามเห็นได้ตามหลักวิทยาศาสตร์แต่เนื่องจากคําสอนพระเจ้าจเป็นหลักวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมมันจึงยากเนี่ยเพราะไม่สามารถจับต้องได้ไม่สามารถสัมผัสโดยไอ้ไอายตนะทั้งห้าได้มันจึงยากเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ทางโลกมันเจริญเอาจนแล้วเพราะมันสามารถสัมผัสได้เห็นได้มันก็พัฒนาได้เร็ว แต่ว่าวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบเนี่ยผู้ที่เข้าไปศึกษาเห็นแจ้งเจริญสูงสุดทางนี้ก็ได้แก่พระอริยบุคคลตามลำดับนะเมื่อเรามาศึกษาในจุดที่ว่าจิตของเราทำหน้าที่อย่างไรนะจิตต า, านุปัสสนาสติปัฏฐานฐานเป็นที่ตั้งของการดรึกรู้ว่าตามเห็น ตามรู้ตามดูตามศึกษาจิตมาได้กล่าวไว้หลายครั้งว่าเมื่อใดมีจิตเมื่อนั้นก็ต้องมีความคิดและอารมณ์ถ้าคุณไม่อยากมีความคิดและอารมณ์คุณก็อย่ามีจิตอ่าเอ๊ซับสนหรือเปล่านะในหนังสือที่เรื่องของปรมาจารย์ตักงมรเนี่ยที่มาคอมเมนต์เอาไว้ในหนังสือเล่มัน้นถ้ใครอ่านนะถ้าหากว่าเรามีจิตอยู่ต้องมีความคิดและอารมณ์ แต่ถ้าหามว่าอยากให้มีความคิดอารมณ์ก็อย mm ่ามีจิตเอ๊ะเป็นยังไงความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่เป็นจิตเป็นจิตไหม mm hmm. เป็นเธอจิตเดิมแท้แต่ด้วยจิตเดิมแท้เป็นสมมติพูดว่าจิตแต่ความจริงมันไม่ใช่จิตเอ า, อางี้ดวงไฟกับแสงสว่างมันเป็นอันเดียวกัวนหรือเปล่า ใช่ไหมดวงไฟก็คือดวงไฟแสงสว่างคือแสงสว่างแสงสว่างไม่ใช่ดวงไฟดวงไฟไม่ใช่แต่ว่าเป็นไปไงมันเกี่ยวข้องกันมันสัมพันธ์กันเท่านั้นเองคําว่าสติสัมย่ากับจิตสติสัมย่าเป็นแสงสว่างของจิตจิตเป็นสมือนดวงไฟดวงไฟในบางทีเราไปแตะไม่ได้นะมันช็อตเอามันร้อนเพม้มือเราแต่แสงสว่างมันเป็นไงสบายเย็นนวลนะ แต่ออกมาจากเดียวกันแต่คุณภาพคนละอย่างดังนั้นจิตจึงเป็นพลังงานแต่ในส่วนที่พลังจิตออกมานั้นสติสัมยาเหมือนแสงสว่างที่นี่เราจะมาพัฒนาสติสัมยาให้เข้มแข็งขึ้นเราจะไปเสด จ, จิตก็ไม่ได้แต่ประการสําคัญบางทีไฟบางดวงเนี่ยมันมีแสงสว่างก็จริงแต่แสงสว่างนะันไม่ออกมาข้างนอกเพราะว่า สมมติว่าเราไปเห็นไฟถนนเนี่ยมีสีแดงสีเขียวใช่ไหมเที่ยงคืนสีแดงสีเขียวมันสว่างพอที่จะส่องทางเราทั่วไปไหมไ ม, ไม่พอเลยมันก็สว่างอยู่แค่หน้ามันนะไม่พอหรอกแต่วา่าเราไปปวดเอาสีแดงสีเขียวออกเห็นดวงไฟล้วนๆไปไงจ้าเลยใช่ไหมชั้นใดก็ดีจิตของเราที่มันไม่สว่างสวายพอเพราะมันมีกรอบของ สมมุติครอบอยู่เหมือนกับแสงสว่างของดวงไฟถูกหน้าแก้วของต่างๆครอบอยู่นะจนกระทั่งมันเป็นสปอรไลน์แหละนะตอนนั้นเองเราจะทำอย่างไรที่จะพัฒนาสติสัมยะขึ้นมาให้มันสว่างก็โดยการไปเอาตัวครอบของจิต ที่บางแสงสว่างอ อ, อกให้ได้ตัวนั้นคือสมมุติเอาสมมุติออกมาอแต่ว่าไม่ได้ทิ้งสมมุตินะสมมุติจะใช้เมื่อไหร่ที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้จะใช้เมื่อไหร่เมื่อมีความจําเป็นใช่ไหมเช่นเขามาถามมาไทยมาทัก ม, มาทวงหรือจะทําหน้าที่แล้วก็เอ า, เอาสมมุติเข้ามาใช้แต่คนเราเนี่ยมันจะต้องทํางานตลอดเวลาไหมไม่บางครั้งก็อยู่เฉยๆใช่ไหม อ่ามาื่ครั้งอยู่เฉยๆดังนั้นจิตเราจึงใช้สองลักษณะลักษณะที่ตอบสนองต่อหน้าที่เรียกว่าสมมุติลักษณะที่ไม่ต้องตอบสนองต่อหน้าที่เมื่อไม่มีความจําเป็นต้องใช้สมมุติเราต้องอยู่กับประมัดคือจิตล้วนๆแต่ใ น, นเมื่อเราไม่มีการฝึกฝนไม่มีการปฏิบัติทำวิปัสนาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้ทั้งสองส่นที่ได้ถูกต้องเราจะสับสนไปหมดเลย ใช้สมมติเป็นปรามาตัตใช้ปนามาตัตเป็นสมมุติเรื่องส่วนตัวเป็นส่วนรวมเรื่องส่วนรวมเป็นส่วนตัวปัญหามันเลยเกิดความทุกข์มันเลยเกิดนะอันนี้ลักษณะทั่วไปที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยทีนี้มาดูมาดูวิธีธ ร, รมทีนี้ทั้งหมดนี่หมายถึงพูดถึงเรื่องของความสําคัญของมันนะในส่วนนใหญ่ทีนี้วิธีทมเราจะทำอะไรน่ะเรื่องกายเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องเวทนาพอจะมองออกแล้วว่าทําอย่างไรนะ่ะ แต่ในส่วนของจิตมันเป็นเกิดจากกายกับเวทนานั้นวิธีการกระทําวิธีที่จะปฏิบัติต่ตอจิตก็ไม่หนีกันหลักการสืบต่อกันนะวิธีการถ้าจะเปรียบดวงไฟมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะมันจะต้องมีแหล่งพลังงานแหล่งกําเนิดใช่ไหมมันจะต้องมีตัวนำํำแหล่งกําเนิดของไฟเรารู้ขนาดนี้คือแบตเตอรี่ ที่เก็บไอโซลาเซลเข้าไว้ตรงนั้นใช่ไหมตัวนําคือสายมันที่เราต่อจากวบตเตรีมาสู่ดวงไฟถ้าหาดวงไฟนี้ไม่มีแหล่งแบตเตอรี่ไม่มีสายเนี่ยไอ้นี่มันทำแสงสว่างไหมก็ไม่มีเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างนี้ฉันใดก็ดีเรามีจิตได้เพราะมีรูปเปลือกสมนุนแหล่งพลังงานเรามีเวทนาเปลือกสมุนตัวนําและเราก็มีดวงไฟเปลือกสมนุนจิตนะ โดยสัตจิตทีนี้ไอ้จิตดวงเนี้เวลาเราใช้ไฟเนี่ยเราไม่เคยคํานึงถึงว่าไฟนี่มาอย่างไรนะเราก็ใช้มันไปเลยนะแต่เมื่อไฟมันดับมันถังจึงนึกถึงว่าไอ้แบตเตอรี่อยู่ไหนสายอยู่ไหนเมื่อขาดข้องตรงไหนเมื่อมันดับนั่นแหละเราถึงเหยียดเดือดร้อนแต่เมื่อเมื่เปิดเมื่อไรก็เปาะอมไวแสงสว่างนี้เราไม่เคยคิดถึงมันหรอกเหมือนกับมารูปกับนามเมื่อตามปกติเราก็มักจะลืมมันใช่ไหม แล้วก็ไปตอบสนองสิ่งที่แสงสว่างออกมาทางตามไม่จมูุลิ้นกายก็วิ่งตามรูปเสียงกินลดไปแต่ละวันแต่ว่ามีเกิดปัญหาขึ้นมาเราถึงนึกถึงกายถึงเวทนาของเราเช่นโดนอะไรบาดเจ็บอุบัติเหตุด น, นเวทนาแรงมากระทบเนี้ยเราถึงไปแคะไปแกะไปเข้าไปรักษาดังนั้นวิธีเริ่มต้นในการดูจิตหรือในการศึกษาจิตเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจะต้องกลับไปหาต้นต่อเดิมของมัน ที่หลวงพ่อเห็นใช้คำว่าดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมดูกายเห็นจิตดูกายดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมทีนี้เราจะดูกายเราจะดูจิตเห็นจิตก็ดูกายดูกายเห็นจิตเมื่อเราไปศึกษาความคิดที่มันเกิดขึ้นจากจิตเราก็จะเห็นธรรมอันนี้เป็นคำย่อเั้นสั้นนะ เสร็จแล้วในวิธีการปฏิบัติในจิตดาวิปในจิตานุปัสสนาที่เราฝังมาตอนเช้าก็คือเมื่อมีความอยากก็ให้รู้ว่าเรามีความอยากเอาอยากเล็กๆน้อยๆถึงว่าเรานั่งนานๆนะปวดความอยากเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมอยากอะไรอยากจะเปลี่ยนใช่ไหมแต่ความอยากที่เราอยากจะเปลี่ยนในบทที่มันหนักให้เป็นเบาเนี่ย เป็นความอยากที่เป็นสัญชตาตญาณก็ได้เป็นความอยากที่เป็นปัญญาญาณก็ได้แต่ความอยากเกิดขึ้นก่อนใช่ไหมแต่การตอบสนองเนี่ยจะตอบสนองแบบสัญชตาตญาณก็คือรู้สึกไม่สบายก็พลิกทันทีเลยความหนักความหน่วงความปวดร้นหายแต่ว่าสิ่งที่เสียไปคืออะไรความรู้สึกตัวไม่ได้กำหนดเราก็ได้สัญชตาตญาณขึ้นมาอีกอยู่นหนึ่ง ความหลงลืมการรู้แต่เมื่อเรามาฝึกปฏิบัติเมื่อท่านี่มาหนักหน่วงปั๊บการจะเปลี่ยนไปท่าเอาความหนักหน่วงนี่หายไปพร้อมกับได้สติสัมยักคืนมาก็คือการกำหนดรู้ซะก่อนแล้วก็หับลงไปได้ทั้งสองอย่างคือความปวดความหนักหายไปด้วยและความรู้เนื้อรู้ตัวก็ได้กลับคืนมาด้วยลักษณะเนี้ยพัฒนาตัวนี้บ่อยบอย แต่ที่นี้ไอ้ตัวตอบสนองต่อสัรชาติยานทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันมีทั้งวันทั้งคืนมีแม้บางคนนอนไปแล้วตื่นอย่างรู้สึกตัวและนอนหลับอย่างรู้สึกตัวทําได้ไหมได้ใช่ไหมหรือแม้แต่ฝันไปอย่างรู้สึกตัวฝันว่าได้เจริญสติก็มีนะบางครั้งนะฝันว่าไปนั่งสร้างเยื่อว่าฝันว่าได้เดินจงกรมเนะี่ยถ้าหากว่าทําเป็นนิสัยทําเป็นอุปนิสัยแล้วมันมากได้ถึงขนาดนั้น ดังนั้นเมื่อมีความอยากคือสัละคําว่าจิตตังสะละัลลคําจิตตังติปชัชชะติเมื่อมีความอยากความชอบก็ให้รู้ชัดๆเออเดี๋ยวนี้เราอยากเลยนะให้รู้ชัดเลยก่อนนะเราอยากอยากจะเปลี่ยน อ, อยากจะเปลี่ยนหรืออยากจะเข้าห้องน้ํากําหนดตัวตัวอยากนั้นก่อนเมื่อกําหนดตัวอยากแล้วก็เข้าไปตัวอยากเป็น นา ม, มารูปใช่ไหมทีนี้ไอการที่จะแก้ไขทำไมจึงอยากเพราะอะไรจึงอยากจะเปลี่ยนเพราะมีอะไรมาบีบคั้นทุกใช่ไหมทุกเวทนาบีบคั้นอยู่ความอยากจึงเกิดเวทนาก็ให้เกิดตันหาทีนี้ไอตัวที่จะต่อจากเวทนาเป็นตันหามันจะเป็นตัญหาหรือเป็นปัญญาอยู่ตรงนี้ถ้าเราตอบสนองทันทีมันกลายเป็นตัหา ถ้าตอบสนองต่อความอยากนั้นโดยสัญชาติยานมันกลายเป็นเด่นหาเป็นอุปทานแต่ถ้าตอบสนองเวทนาตรง น, นั้นด้วยสติด้วยสมรยะมันกลายเป็นปัญญาญาเห็นไหมนิดเดียวในแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยเราต้องการให้สัญชติยานเกิดหรือต้องให้ต้องการปัญญาเกิดอยู่ที่เรานะ่ะแต่ถ้าหากเราไม่เคยฝึกฝนไม่เคย <c oughs> สนใจเรื่องนี้มาเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เราจะเปลี่ยนโดยปัญญาญา Impossible เลยใช่ไหมเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงมีการฝึกฝนในเรื่องภาวนาขึ้นอย่างเงี้ยแต่ทำไมคนสนใจน้อยมากหรือไม่สนใจเลยเพราะอะไรเพราะมันทนกระแสอ่าทนกระแสแรงมากเลยคนก็เลยไม่อยากนะแต่พวกเรานี่เป็นมนุษย์พิเศษเนี่ยชอบทนกระแสนะก็จึงมาถึงณจุดเนี้เป็นมนุษย์พิเศษก็ได้ ทวกระแสไปเรื่อยๆอย่างนึกง่ายๆเนี่ยถ้าสมมติน้ําไม่น้ํามันไหลมาเนี่ยถ้าเราเดินทวนกระแสน้ำขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงต้นน้ำเนี่ยน้ํามันจะลึกขึ้นเรื่อยๆลึกตื่นขึ้นเรื่อยๆเจ๊ะไหมตื่นขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าตามกระแสน้ำมาเจะลึกเรื่อยๆลึกตื่นเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆใช่ไหมยิ่งตามใจตัวเองเท่าไหร่เรายิ่งจมลึกไปสู่ความทุกข์และปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ แต่ยิ่งทวนกระแสมากเท่าไหร่เราก็ความทุกข์และปัญหาของเราก็จะตื้นเขินขึ้นเรื่อยๆในที่สุดไม่มีความทุกข์และ ม, มีปัญหาเพราะฉะนั้นสัญญาณแรกที่พระพุทธเจ้าบอกเราว่าท่านเอาชนะความทุกข์และปัญหาของท่านจนกระทั่งรู้ที่ต้นตอปัญหาทั้งหมดท่านทําอย่างไรนึกออกไหมพระพุทธเจ้าให้สัญญาณแรกก่อนดัสรู้น ะ, ะนึกออกมไหยไม่รู้เราพุทธปรวัติตรงนี้เราฟังกันหลายครั้งและ้ะ ว่าเมื่อนางสุชาดานำเข้ามาลูกพระยาดไปถวายท่านในวันนั้นแต่ความจริงเจตนาของนางสุชาดาคือไปแก้บนพอไปไอบนขอลูกกับลูกกเทวดาที่ต้นไม้ตัวนั้นแหละเอาไวเ้เกิดบังเอิญแล้วได้ลูกชายมาจริงๆนะก็จะไปแก้บนแต่บังเอิญวันนั้นไปเห็นสมณะโคตามะตอนนั้นเป็นมหาสมณะโคตามะยังไม่เป็นพุทธนะก็นั่งบําเพ็ญพอได้ต้นไม้นั้นพอดี ด้วยเหตุบางอื่นก็เลยดีใจว่าวันนี้เทวดาปรากฏตัวนะวันที่เรามาขอรูปมาเห็นปรากฏตัวเลยวันนี้โอ้โหดีใจใหญ่เลยนะดีใจก็เลยน้อมเข้ามาทุกประญาติแทนที่จะถวายแต่ข้าวนะบอกว่าถวายหมดเลยแต่ถานเป็นถาทองคำํำเลยนะถวายหมดเลยเพราะดีใจว่าเห็นเทวดาปรากฏตัวเสร็จแล้วก็กลับบ้านเมื่อกลับบ้านเอมหาสมณะโคตมาท่างหลายตามกตินักบวชน่ยมีสมบัติไม่ได้ ถ้ามีสุบัติตัวลอันตรายเพราะไม่มีที่เก็บไม่มีที่ซ่อนเหมือนคนทั่วไปใช่ไมอันตราะก็จะเอาไปเอาไปทิ้งไงเอ๊ะเอาถาดไปทิ้งที่ไหนดีอ๋องงั้นเราไปที่แม่น้ําในลันชลาแล้วก็เอาถาดาไปเสียงใช่ไหมเสียงว่างไงจําได้ไหมว่าถ้าข้าพเจ้าจะสามารถตัดเกล็ดได้ใครกิเลสหลุดนะไม่ต้องมาผุดเมื่อเกิดอีกเนี่ยขอให้ถาดไปนี้ไปไงไหล แต่ถ้าขพระเจ้าไม่สามารถตัดกิเลสได้ใครกิเลสขาดก็กลับมาเกิดพบชาติต่อไปอีกขอให้ถานไปนี้ไปไงไหลตามน้ําไปแล้วท่านก็วางโป๊ะลงไปตามประวัติบอกว่าวังโป๊ะลงไปถ า, านบปนี้ไปไงไหลทวนกระแสดขึ้นไปเออท่านก็มั่นใจว่าแน่นอนละวันเนี้ต้องได้สัมผัสมักผลแนะ่ถ้าหากว่าเราเชื่อจำนี้เนี่ย เราเรกวเราเชื่อตามตำราหลวงพ่อเทียนเคบอกว่าถ้าหากว่าพระทธเจ้าทำงั้นคุณลงไปที่แม่น้าเลยแล้วไปเสียมฐานดูซิว่าถ้าข้าพเจ้าจะไม่ตายแเราไซขอให้ถานไปนี่โยอะถอนกระแสไปถ้าข้าพเจ้าจะตายแล้วไสขอให้ถานไปนี่มันตามกระแสไว้ระวังไว้ถามมันจะไปไหนแค่ว่าเอมันก็ไต่ตามกแสแล้วเราก็ต้องตายอยู่ดีเช่นว่าข้าเหมือนกันดูดีอันนี้เป็นสมมุติท่านว่าลเป็นสมมุติขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่า การที่เราจะสําเร็จประสบผลสําเร็จสูงสุดได้เราต้องทนกระแสจิตตัวเองอย่าไปตามใจตัวเองการทําอะไรตามใจตัวเองมันจะนําไปสู่ความไม่ประสบผลสำเร็จอะไรทั้งนั้นชีวิตจะตกต่าไปเลยเหมือนจะลงไปกระแสแต่พวกเราเป็นมนุษย์พิเศษตรงที่ว่าชอบที่จะทนกระแสเพื่อจขึ้นไปสู่ต้นน้ําที่ต้นน้ําของจิตต้นน้ําของอารมณ์เนี่ยคืออะไร ไอาการที่ไหลน้ําไหลไปตรงที่ต่ําใช่ไหมจิตของเราเมื่อมีสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันมนอกจะคิดไปทางใดก่อนคิดไปทางดีหรือไม่ดีก่อนคิดไปทางไม่ค่อยดีก่อนโดยสัญชาตญาณแต่ถ้าเราได้ฝึกฝนมีศีลมีธรรมมีวัฒนธรรมที่ดีถ้ามีอะไรมากระทบปับ๊บมันก็ริ่มคิดในทางที่ดีทนกระแสะเล็กๆน้อยๆได้แต่กระแสะมีสองลักษณะหนึ่งกระแสที่มันเชี่ยวกรากสองกระแสที่มันไหลเอื่อย อันไหนทวนง่ายอันไหนทวนยากกว่านะกระแสที่มันไหลเอื่อยๆเนี่ยท่านเรียกว่าศีลธรรมวัฒนธรร ม, รรมประเพณีทวนง่ายแต่ว่ากระแสที่มันไหลเชี่ยวกรากมันชันอย่างนี้ใช่ไหมเป็นน้ําตกเลยทวนไปไงหาดหาที่เชี่ยวกรากมาเราไปทวนบางทีไม่มีกําลังไปไงน้ํามันพัดพลิกไปเลยอ่าชันใดก็ดี จิตของเราที่มันมีอารมณ์เข้าไปปรุงแต่งความอยากความโลภความห ล, ลงจัดๆเนี่ยเข้าไปปรุงแต่งแล้วกระแสตรงนั้นจะแรงมากกระแสของความอยากสมมุติโอ้ไปเห็นรถแบรนด์เนี่ยถูกใจมากโดนใจมากอยากจะได้ใช่ไหมกระแสเริ่มงปะนรไงแรงแล้วโอไปเห็นผู้หญิงคนนี้ชายคนนี้หล่อเลยเกินสวยเลยเกินอยากจะได้โอ้โหเริ่มคลั่งเริ่มรักเริ่มหลงบางคนไม่ได้ตามนั้น เป็นไงกินยาตายฆ่าตัวตายหรือฆ่ากันตายบอกไปเกิดใหม่ไปด้วยกันเด็กกันชาตินี้มีโภสักเลอะเยอะเกินน่งนะไปตายด้วยกันแล้วไปเกิดเอาใหม่ขนาดนั้นกระแสะมแรงขนาดนั้นพัดจนตายไปก็มีใช่ไหมพัดจนป่วยบางคนมี อ, อกหักรักเล้าผิดหวังขึ้นมาก็ไปชดชีวิตนั่นน่ะถูกกระแสะมันพัดอย่างรุนแรงใช่ไหมทีนี้ถ้าหากว่าเรามาฝึกฝนเนี่ยการทนกระแสะทํำยังไงคนที่จะทนกระแสะได้ดีท่านบอกต้องมีธาตุแท้ ต้องเอาจริงท่านเปรียบเสมือนถาดทองคําคนนั้นมีธาตุแห่งคนจริงหมพ่อเห็นบ่กคนจริงรู้ของจริงคนจริงเท่านั้นนะรู้ของจริงแต่คนไม่จริงก็รู้ของไม่จริงเล่านว่าเนี่ยเพราะนั้นคนที่จะประสบความสำเร็จในการทวนกระแสความคิดอารมณ์ของตัวเองเป็นคนจริงใจมีความจริงใจมี sincerity เห็นว่ามีมีความจริงใจท่านจึงเรียกวัตชุดนะมีความจริงในใจ แล้วเป็นความจริงที่ระเสือด้วยนะคืออนิยจสัตว์อริจจสัจจาหนทีนี้เราจะทำอย่างไรจะมีความจริงเช่นนี้ทุกคนก็จะมีความไม่จริงอยู่ในใจมาก่อนทั้งนั้นแต่แต่ว่าค่อยสร้างความจริงใจทีนี้มากขึ้นมาขึ้นความจริงใจที่มันจะสมบูรณ์้ดยประกอบด้วยองค์หประการหนึ่งมีสถาที่จะทำอะไรอย่างจริงจังสอง เมื่อมีศรัทธาความเชื่อมันละสองทำอะไรลงมือทำเรียกว่าความเพียรใช่ไหมสาลงมือทำด้วยความรู้ข้อมูลที่ถูกต้องแน่นอนมีสติสขณะที่ลงมือพิสูจน์ตั้งใจไม่สิ็จไม่เลิก เ, เรียกว่าสมาธิห้ามีการพิจารณาค่าควรการพิสูจน์การกระทำนั้น ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลไม่ทําด้วยความงมงายหรือความหลงทําด้วยความรู้มีความพิสูจน์เป็นไปเป็นมามาีรู้ที่ไปที่มารู้เป้าประสงค์รู้เป้าหมายว่าทําเพื่ออะไรเรียกว่าอะไรปัญญาเพราะฉะนั้นท่าแท้นเนี่ยมันจะต้องก่อมาจากห้าตัวนี้มีศรัทธามีวิริยะสติสมัมปัญญาเพราะนั้นท่านจึงให้บําเพ็ญเท่าให้ฝึกฝนห้าตัวนี้เสมอ แต่ว่าม่แค่ให้เป็นตัวไอ้ศรัทธาธรรมดาวิทยาธรรมดาต้องเพิ่มให้มันมีกําลังมีกําลังบวกขึ้นไปเรื่อยๆศรัทธาแค่นี้ไม่พอศรัทธามากกว่านี้อีกศรัทธานั่งหนึ่งชั่วโมงไม่พอหอนั่งสองชั่วโมงก็แล้วกันเพิ่มไปเรื่อยๆนะศรัทธาสองชั่วโมงไม่พอนั่งสามชั่วโมงเพิ่มศรัทธาแต่ศรัทธานั้นถ้าเราจะไม่ให้เป็นโทษต้องดูที่กําลังด้วยแล้วกำลังข้างเราเพอไหม ว่จะนั่งทีเดียวรวดสองชั่วโมงกาลังกายพอไ้มกําลังใจพอไหมถ้าพอลองดูแต่นั่งไปแล้วสองโอ้โหสองชั่วโมงนี่เราจะตายใช่ไหมเป็นลมเป็นแรงแท้ได้รุดมาเดี๋ยวค่ชั่วโมงครึ่งนะค่ชั่วโมงครึ่งพอไหวนะก็ดูกําลังของตัวเองด้วยแต่ถ้าทําเกินกําลังของเราเรียกว่าเรางมงายแต่ทําตามกําลังพอดีเรียกว่าเรามีเป็นคนมีเหตุมีผลมีการประเมินกําลังของตัวเองแต่ว่า ส่วนใหญ่แล้วศรัทธาเรายังไม่ได้ถูกพิสูจน์คือยังไม่ได้เข้มแข็งอะ่ะนะเพราะนั้นเมื่อมาเจริญจิตตภาวนาเนี่ยก็เราจะต้องผ่านไอ้สองตัวนั้มาก่อนผ่านเรื่องกายเรื่องเวทนามาก่อนแต่ไปวิเพียนเพลิงจิตไปดูจิตไปเห็นจิตไปรูจิตโดยที่ไม่สนใจหรือสองตัวนี้น้อยเกินไปมีโอกาสผิดพลาดเพราะจิตมันมันมอีอะไรละ่ะมีลักษณะที่ว่า มันไม่ใช่ตัวตน่ะมันเป็นเป็นพลังอันหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะมีหลากหลายในตัวของมันเองนะมันจะเดี๋ยวมันเป็นอย่างนั้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันคิดอย่างนั้นมันเปลี่ยนไวมากไม่สามารถจะนับเป็นการเวลาได้เพราะเราเป็นอาการดโกนะกายเวทนาเนี่ยกลัวมันจะเกิดขึ้นเต็มที่ของมันอาศัยเวลาตั้งหลายนาทีใช่แต่จิตเนี่ยมันเปลี่ยนทุกขณะอาจจะนับเป็นวินาทีไม่ได้เลย เนี่ยมันไวขนาดนั้นทีนี้การที่หน้าที่ของจิตเป็นอย่างไรที่สะท้อนออกมาเนี่ยเราก็พยายามกลับมาสู่ที่เดิมก่อนต้นตอของมันคือต้นตอของจิตคืออะไรที่มาของจิตเกิดขึ้นจิตที่มันจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องเวลามันอาศัยอะไรจำขันห้าได้ไหมพอขันห้านั้นถ้าเรียกว่าจิตจำได้ไม่มีอะไรบ้าง รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอะไรท่านบอกสัญญาเวทนาสัญญาสังขารเป็นนามเอามาว่าไม่ใช่รูปเอาเป็นรูปตัวที่เป็นนามแท้ๆคือสัญญาสังขารวิญญาณแต่ตัวเวทนาเนี่ยเป็นได้ทั้งสองอย่างที่ได้กล่าวมาเป็นได้ทั้งรูปและนาม เพราะฉะนั้นตัวเวทนาจึงเป็นตัวกำเนิดให้เกิดนามเกิดจิตเราก็ย้อนไปที่เวทนาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเวทนาจะมีสองส่วนเวทนาในส่วนกายกับเวทนาในส่วนจิตถ้ามันอยู่ฝากมาทางกายเรียกว่ากายะเวทนาหรือกายะสังขารถ้ามันเอียมมาฝากทางใจเขาเรียกว่าจิตตสังขารหรือจิตตะเวทนานะ นั่นน่เมื่อรู้อย่างนี้ปั๊บการที่เราจะไปลิงก์หรือไปสัมพันธ์กับจิต ท, ทุกครั้งเนี่ยเราย้อนมาหาตน้ตนตตเดิมเพรมันคืออะไรคือเวทนาอ่าคือเวทนาเพราะฉะนั้นธรรมาจึงให้ความสําคัญต่อเวทนามากเพราะว่ามันมีเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรูปกับนามเขาเดียกันเมื่อเป็นอย่างนั้นเมื่อเราจะดูจิตตัวสติสัมยาต ท, ยที่เราลึกรู้ในเวทนาปัจจุบันของเราต้องมั่นคงแล้วเราถึงไปจัดการจิตอย่างถูกต้องได้ แต่ถ้าเราไม่คำนึงถึงตัวรู้สึกตัวที่เวทนาเป็นตัวบ่งบอกถึงความรู้สึกตัวเนี่ยเราจะไปดูจิตจิตอย่างเดียวเนี่ยโอ้เพี้ยนกันมาเยอะเลยนะสมัยแรกมาฟังหลวงพ่อเทียนว่าท่านก็นเน้นเลยที่ว่าดูจิต ด, ดูใจดูจิตดูใจดูจิตเราก็ไปดูจิตอย่างเดียวมันก็สนุกเลยเพราะเข้าไปดูจิตมันก็หลากหลายเป็นเรื่องหลายมิติใช่ไหมมันก็้าไปอยู่ในความคิดหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่า รูปนามเรายังไม่เข้มแข็งเมื่อรูปนาไม่เข้มแข็งเวลาเขาไปดูจิตปั๊บมันหลุดเข้าไปเลยเข้าไปอยู่ในความคิดโดยไม่รู้ตัวพอเข้าไปอยู่ในความคิดปั๊บอะไรกระทบปั๊บมันก็นไปสิ่งนั้นโดยอย่างอย่างโดยอัตโนมัติของมันไม่ต่ํากว่าสามปีมาว่าเข้าไปอยู่ในความคิดเนจนกระทั่งม า, นะมาได้สตินะมาได้สติโอ้ที่เราเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราเข้าไปหลวงพ่อคำเขียนท่านบอก มาดูกายกันมาหาหลวงพ่อมาเรียนดูกายชัดดูกายอย่างเดียวอย่าเพิ่งเข้าไปดูจิตเพราะถ้าท่านรู้ว่าเรารูปนามของเรายังไม่ชัดต้องมาดูกายให้ชัดก่อนเมื่อดูกายชัดดูรูปเป็นแล้วเนี่ยการที่จะไปดูใจมันเป็นไปเองท่านว่าเพราะมันอยู่ด้วยกันสมมือกายพูดมาเมื่อกี้เมื่อเอาผลไม้ไปตากแดดแล้วตากนานๆานเข้า การแยกเป็นเนื้อเป็นเปลือกมันแยกเข้ามันเองแต่ว่ามันยังอุณหภูมิมันยังไม่พอเราไปแกะแยกแกะเปลือกออกไปไงผลไม้ทั้งผลเสียไปเลยใช่ไหมเน่าไ ป, ไปเลยมันต้องแยกของมันเองเพราะนั้นการที่กายกับจิตมันจะแยกกันเราจะต้องอาศัยอุณหภูมิคือความเพียรเข้าไปแผดเผาเข้าไปเพ่งให้มันแยกกันนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีความเพียรที่ถูกต้องว่าความเพียรที่ถูกต้องก็บําเพ็ญทางกายกับเวทนาให้ชัด เพรนั้นตลอดเวลาเราจะเกี่ยวข้องจึงเดียวกับกายกับจิตเนี่ยกับกายกับเวทนาเนี่ยไว้ก่อนให้ชัดไว้ก่อนแล้วเมื่อไรมันเข้มแข็งแล้วเนี่ยจิตมันผ่านมามันรู้เองเห็นเองอ๋ออันนี้จิตแต่เมื่อก่อนนี้เมื่อกายกับใจรูปกับนามยังแยกกันไม่ชัดเวลามีความคิดเกิดขึ้นปั๊บเราเข้าไปเลยเหมือนกับเปลือกกับเนื้อมันเป็นอันเดียวกันไปเลยเราแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นกายนไหนเป็นใจอันไหนเป็นความคิดอันไหนเป็นความรู้สึกแยกกันไม่ออก แต่พอมาเข้าใจณจุดน so e ี้มันแยกกันออกโดยอนุนุัต์ของมันไม่ต้องไปดูตั้งดูจิตเพราะหลวงพเดนดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมใช่ไหมต่อไปเมื่อดูกายเป็นดูเห็นจิตเป็นเราก็ไปดูความคิดเราก็จะเห็นสภาวะธรรมต่างๆทางที่เป็นกุศลธรรมกุศลธรรมอัพยกัตธรรมมันก็เห็นไปเองเหมือนเราขึ้นมาจากน้ามานั่งบนฝั่ง ห sensory, dem, ist, ันหน้าไปชมฝั่งแล้วก็เห็นน้ําไหลเราก็ไม่เปียกหรือเรานั่งอยู่ในบ้านรถปิ้งผ่านหน้าบ้านเราเห็นรถวิ่งน่้นีรถก็ไม่ชนเราเพราะเราแยกออกมาอยู่บนบ้านหรือเรามานั่งบนฝั่งเราก็ไม่เปียกน้ําก็ไม่พัดเราเมื่อเราเห็นรูปเห็นนามเห็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมชัดเมื่อความคิดอะไรผ่านเข้ามามันก็ไม่ชนเรามันก็ไม่ดึงเข้าไปในนั้นเหมือนรถไม่ชนเราเพราะเราแยกตัวมานั่งกันห่า หรเราก็ไม่เปลียนน้าก็ไม่ท่วมเราก็เราเมานั่งบนฝั่งเพราะฉนั้นรูปน้ำจึงเปรียบเสมือนฝั่งน้ําหรือเปรียบเสมือนสถานที่แข่งหนึ่งที่แยกออกมาจากอารมณ์อารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกับ น, น้ําไหลหรือเหมือนกับรถที่วิ่งหน้าบ้านเราเราก็เป็นคนดูเท่านั้นเองแต่ถ้าเราดูไม่เป็นยังไม่มีบ้านไม่มีที่พักไม่มีที่ฝั่งที่นั่งเราก็ไปยืนอยู่กลางน้ำเพื่อจะดูน้ําอันตรายนะอันตรายดังนั้นเองการที่จะดูจิต ให้ถูกต้องโดยที่ไม่หลงเข้าไปในความคิดก็มาเน้นที่รูปนามให้เข้มแข็งเอาไว้ก่อนเมื่อรูปนามเข้มแข็งแล้วการจะเข้าไปดูจิตเล่นกับจิตพลิกแพงจิตพลิกแพงอาการอะไรต่างๆไม่ยากไม่ยากเพราะรู้ว่าเหมือนคนว่ายน้ำเป็นอะ่ะจะกลัวจมน้ำไหมอ่าไม่กลัวนะเวลาจมเขาก็มีวิธีลอยตัวมีวิธีนั้นฉันใดก็ดีเมื่อเรา คล่องแคล่วในการเข้าหาลูปผานามเข้าการออกให้เป็นการเข้าให้เป็นเข้าไปในความคิดก็เข้าเป็นการออกมาจากความคิดก็ออกเป็นนะแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ชำนาญในเรื่องรูปานามเข้าไปในความคิดก็ไม่รู้ตัวออกมาจากคิดก็ไม่รู้ตัวอันนี้ก็อันตรายนะดังนั้นวิธีดูจิตไม่มีทางอื่นเลยกลับไปทบทวนลูปนามให้เข้มแข็ง เมื่อรู้จักว่ารูปนามเข้มแข็งแล้วมันจะไปเห็นจิตเองแล้วเข้าไปดูจิตเข้าไปชำระจิตเข้าไปชำระจิตเข้าไปฝึกฝนจิตมันจะง่ายเมื่อดูจิตเป็นศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดแล้วแต่ในขั้นต้นคือรูปกับเวทนาที่เราฝึกอยู่ศีล ส, สมาธิยังเป็นศีล ส, สมาธิยังปัญญายังเป็นสมมุติอยู่ยังไม่ได้เป็นปรมัติยังไม่ใช่ของจริง เพราะนั้นคนที่รักษาศีลถ้าอยู่แค่อารมณ์นามเนี่ยมันก็พร้อมที่จะละเมิดศีลได้อยู่ผู้ที่ทําสมาธิถ้าอารมณ์อยู่แค่รูปนามก็พร้อมที่จะติดความสงบติดสมาธิได้อยู่หลงในสมาธิได้อยู่อ่ถ้าคนยังรูปนามยังไม่ผ่านหรือยังไม่เข้มแข็งถ้าไปบำเพ็ญปัญญาก็พร้อมที่จะทำให้เกิดหลงในปัญญาเกิดมีมานะอาตตา ม, มีมานะทิฐิที่จะเอาชนะขั้นคนอื่นอยู่เพราะมันเป็น ยังไม่บริสุทธิ์มันยังเป็นสมมุติอยู่ต่อเมื่อเราชำนิชำนาญในการดูกายดูใจดูรูปดูนามเป็นเมื่อไปบปําเพ็ญจิตไปดูจิตศีลสัสมปชัญญาเริ่มเป็นปรมัทิติเริ่มเป็นของจริงที่เกิดจากภายในนะมัน ม, มันเกิดจากภายในอย่างนี้มันก็เห็นชัดดิการผิดศีลก็คือการผิดใจของเราเองนี่แหละเมื่อใจเราผิดปกติศีลไปว่าอะไร ปกติใช่ไหมถ้าใจผิดปกติถือว่าผิดแล้ผิดศีลแล้วไม่ต้องไปคาสันไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องไปพูดผิดในกรรมให้มันยากหรอกแค่จิตของเราใครมาพูดผิดหูปั๊บอารมณ์เราเปลี่ยนจิตปกติไหมศีลมันเริ่มผิดตั้งแต่นู่นแล้วไอ้การที่จะพูดออกไปหยาบๆใครๆเราพูดในทางไม่เพราะเนี่ยมันตอบสนองของมันเองเพราะใจเราผิดตั้งแต่แรกแล้วผิดใจอะมันผิดใจกลัวใช่ไหมกูว่ามันในเร็วๆนี้มันก็ผิดศีลข้างนอกโดยปริยายอ่าเพราะฉะนั้น เมื่อจะดูจิตคือจิตที่ปกติถ้าจิตปกติปั๊บเราจะด่าคนก็ไม่ผิดศีลแปลกใจไหม <c oughs> <c oughs> เราจะว่าคนก็ไม่ผิดศีลเพราะว่าด้วยเมตตาว่าด้วยปัญญาอ่าอย่างสมมติว่าสมัยก่อนเรามาอยู่กั น, นินเนาะนนไปบวชนนภาคดูร้อนนนถ้าไม่ได้นเลเกินอ่า ว่าหาครั้งสิบครั้งก็ไม่ฟังเอ้ามันเน้นมันเน้นหลวงพ่อจะเอาไอ้ผีออกให้ผีมันเข้าเธอเนี่ ย, นนยแต่ผู้ดีเธอไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเธอดีมากเธออ่อนน้อมถ่อมตนแต่วันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้หลวงพ่อแสดงว่าผีเข้าหลวงพ่อจะเอาผีออกนะทนเลยนะเจ็บเลยนะหัวเต็มที่เลยเน้นก็เป็นอย่างเนี้ยมันก็เต็มใจให้ตีใช่ไหมอารมณ์เราก็ไม่โกรธเพราะนั้นใช้อะไรใช้เมตตาและปัญญานิทิวัตตีคนก็ไม่ผีศิงอ่า ด่าคนก็ไม่ผิดศีลดังั้นถ้าหากว่าเร า, เาพ่อแม่ลูกในบางครั้งลูกมันชนมันนี้เกินถ้าพ่อแม่ได้ฝึกวิปัสสนาไปพ่อแม่ด่าลูกก็ไม่ผิดศีลพราะด่าด้วยอะไรด้วยเมตตาและด้วยปัญญาแต่อาจจะแสดงบทบาทหน่อยใช่ไหมทำเป็นโกรธทาเป็นขึงขังหน่อยถ้ายิ้มเราไปด่าเขาเนี่ยเขากลัวไหมไม่กลัวนะมันต้องทําหน้าจริงจังขึงขังหน่อยแต่ว่าในจิตใจไม่มีอะไรที่ที่ว่าด่าคนก็ไม่ผิดศีลคือลักษณะอย่างนี้ทําด้วยเมตตาและปัญญา นะดังนั้นเรื่องของจิตจึงเป็นเรื่องที่ใหญ่มากถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็จะทําให้หลงในวิปัสนาจินตยานวิปลาสอย่างที่คนเพี้ยนเนี่ยคนที่มันเพี้ยนไปต่างๆเพราะเข้าไปเล่นกับจิตอ่าไปหลงในจิตแล้วออกไม่ได้เหมือนหลงเข้าไปในถ้ำที่หลวงพ่อเทียนว่าอ่าเข้าไปทํา้ำแล้วออกไม่ถูกเลยทีนี้มืดไปเลยที่เราจะรู้ว่าถ้าเป็นยังไงจิตแล้วก็ต้องออกมาจากถ้ำ ก็ทําทเป็นยังไงเราจะรู้ว่าชีวิตจิตใจนี่เป็นยังไงเต้องออกมาจากความคิดให้ได้พอเข้าหลงเขไปใน Brasil, ความคิดมันหลงเขาไปในธรรมมันมืดเลยพอเราออกมาจากความคิดได้พอเห็นว่าชีวิตจิตใจเป็นอย่างนี้เองออกมายืนอยู่ที่ไหนยืนอยู่ที่ปกติเพราะนั้นในสือเล่มใหญ่ของหลวงพ่อทินที่เราได้พบกันคือชื่อว่าอะไรนะบางคนได้อ่านแล้วนะเล่มใหญ่เลยนะชื่อว่าปกติเพราะนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญนะเรื่องปกติ ดังนั้นจึงเริ่มต้นที่จิตเดิมแท้คือจิตปกติก่อนพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าพันทนังเออไม่ใช่ประพัสดรมิทางจิตตังอาคันตุเกเสหิอุปกิถังว่าจิตเดิมแท้เนี่ยประพัสดส์ผ่องใสสะอาดปกติแต่เมื่ออาคันตุเกเสหิอุปกิถังเมื่ออาคันตุกะกิเลส คือสิ่งที่จรมาทางต่างหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนอาคัรตุกะเข้ามาสู่บ้านเราเมื่ออาคัรธุกะกิเลสเข้ามาแล้วจึงมาทำให้จิตนี้ผิดปกติจิตเสียปกติไปเพราะมันไปบดบงังอาคัรตุกะเพราะนักอคารตุกะเข้ามาบ้านเรามันอาจจะเป็นคนดีก็ได้คนร้ายก็ได้ใช่มอาจจะเป็นขโมยก็ได้ถ้าคนดีเข้ามามันก็สีที่ดีมมาให้เราผู้ดงไฟดีๆเอาสีขาวมาทาไฟสว่างไหม ไม่บังไปเลยโอ้ไฟนี่สว่างเกินไปเอาสีดามาทามืดไปเลยใช่มเหมือนกันอาคันตุกากิรลสคือความรู้สึกความดีเนี่ยจิตที่ดีจิตไม่ดีสามารถบังจิตเดิมแท้ได้แต่เราใช้มันพรหมดหน้าที่ใช้ก็เอาเก็บไว้บางครั้งก็ใช้สีดงบางครั้งต้องใช้สีขาวบางครั้งก็ทำเป็นใจร้ายบางครั้งก็ต้องทำเป็นใจดีใช่มใช้มัน พอเสร็จแล้วก็เอาสีขาวสีดาออกจิตก็เป็นไงก็สว่างเหมือนเดิมแต่ว่าใช้แล้วไม่ อ, ออกอยังจิตอยู่ที่เดิมจิตแล้วก็มืดมัวเรียกว่าอุปาทานทันไหมทันนะตอนนั้นเมื่อจะดูจิตก็กลับมาอยู่ความรู้จิตที่ปกติจิตที่ปกติได้แก่อะไรได้แก่สติสัมปชัญญะจิตเดิมแท้ได้แก่สติสัมปชัญญะอย่าลืม เพราะสติสมิญญาเป็นแสงสว่างของดวงไฟใช่ไหมถ้าหากว่าแสงสว่างปกติไม่มีอะไรบดอะไรบางนั้นคือจิตเดิมแท้คือแสงสว่างปกติการที่เรามีสติสมิญะรู้สึกตัวนั้นนั่นหมายความว่าเราอยู่กับจิตเดิมแท้แต่จิตเดิมแท้นี้บางครั้งก็ต้องใช้เขาใช่ไหมใช้ทำหน้าที่ต่างๆประการสำคัญใช้แล้วต้องเอาออกไปอย่าไปไว้ตรงนั้น ถ้าเก็บไว้ตรงนั้นก็หมายความว่าเรามีตันหาวประธานอยู่พอยึดติปพอยึดติก็จะทําก็ไม่สว่างแล้วจิตใจก็โอ น, โอนเอียงไปตามอารมณ์นะแล้วนั้นเองการทดสอบตรวจสอบกายเวทนาจึงทําเป็นนิสัยให้เป็นจนกระทั่งมันเป็นจนกระทั่งเรารู้สึกกายรู้สึกใจเนะี่ยรู้สึกกายเวทนาจนเป็นนิสัยได้นะนิสัยแค่ยีปรเซรู้สึกตัวตลอดเวลาแค่25เซนเป็นพระโสดาบัน รู้สึกกายรู้สึกใจแค่ห้าสิเปอร์เซ็นเป็นสกินอาคา 80% ปดสิเปอร์็นเปอนาคารถ้า1 0อยเปอร์เซู้สึกตัวตลอดเวลาร้อเปไม่พลาดเลยเป็นพระาราหันไม่ยากใช่ไหมเออไม่ยากแต่ก็ต้องไต่ไปําลํำดับอ่ะต้องไต่ไปํา ำ, ำดับแต่คนทั่วไปมีความรู้สึกตัวรู้ตัวเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นหนึ่งถึงยี่นี่ก็ยากแล้วใช่ม้าเอร์เสี่เอร์สห้าเอร์เซ็อย่างสูงสุดสี่ยยาปเนี่เรียกว่าเป็นคนดีแล้วมันง เ, เป็นสาธุชนคนดีละ แต่ว่าถ้าเป็นยี่อร์ขึ้นไปยิ่งกว่าคนดีเ็าเรียกเป็นอริยชนอาริยชนละนะดังนั้นในช่วงเช้า ว, วันนี้พูดถึงเรื่องของจิตตานะุปัสสนาในลักษณะกว้างๆลองเอาไปทำดูนะก็ไม่สามารถจะหนีห่างต้นตอเดิมได้คือกายกับเวทนาเมื่อดูกายก็เห็นจิตแต่ว่ามีตัวเพิ่มเข้ามาว่าจิตที่เดิมแท้เป็นยังไงจิตที่มันถูกครอบงาเป็นยังไงเรวก็ไประวัง ว่าอย่าให้อารมณ์อะไรเข้าไปโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ขณะนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้ทำไมเอาเรื่องนั้นมาคิ้แดดเพราะอะไรตรงนี้หน้าที่ของสติปัญญาต้องทำหน้าที่แล้ว <c oughs> แต่ถ้าหากว่าไม่สติปัญญาไม่ทำหน้าที่เราก็เบือเราก็มัวนิวนต่างๆมันก็เข้าหรือเหมือนเราขับรถ่าน้ำฝนถ้าเราไม่มีหน้าปัดไปไม่ได้ไปไม่รอดไม่เห็นทาง เราอยู่ปัจจุบันอารมณ์ที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเหมือนเม็ดฝนหนักเบาแล้วแต่ว่ามันกระทบเราจะต้องมีอะไรสติ ส, สมญาเป็นไม้ปัดรถคุณจะวิ่งไปได้ถ้าไม้ปัดมันเสียไปไม่ได้เลยนะดังนั้นกระทําต่อจิตก็นึกถึงในส่วนที่เป็นรูปธรรมแล้วมันจะทําง่ายแต่ถ้าหาว่าเราไม่นึกถึงรูปธรรมล่า น, นี้มันก็จะทำยากไปไม่ถูกเลย นะดังนั้นลูกกันกกบนามต้องไปด้วยกันฝึกฝนซึ่งกันแลยกันแล้วจะง่ายขึ้นนะก็ข อ, อนุมโมทนาสาธุความตั้งใจที่เราทั้งหลายจะได้ศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสัรษฐธรรมที่เป็นของจริงที่เราจะนำไปพิสูจน์ไปศึกษาต่อไปจนสามารถชําระจิตของเราให้สะอาดและผ่องใสด้วยกันทุกคนทุกท่านถอ